พระธรรมเทศนาแทนที่75ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่1มีนาคม2558มีชื่อเรื่องว่าอย่าเชื่อใจคนโกหก วันนี้เป็นวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศกราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดพระในวัดของเราวันนี้สามสามสิบสองรูปนะแต่ลงมาฉันยี่สิบแปดงดสี่ไม่ไม่ได้ลงมาฉันแล้ววันที่สี่เป็นวันมาคะบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาสื่อต่างๆทั่วประเทศทั่วโลกคงจะบอกกล่าวกันถ้าประเทศไหนที่นับถือพระพุทธศาสนาก็คงจะบอกกล่าวให้ชุมชนและสังคมกลุ่มของตนเองได้รับทราบว่า วันมาคะบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งเพราะว่าเป็นวันตั้งกฎกติกาหรือว่าตั้งกฎหมายปกครองสงฆ์ถือว่าการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นคณะสงฆ์ก็ต้องเป็นมีกฎกติกา ขึ้นมาเพื่อดูแลพระสงฆ์ทั้งหลายเหมือนกับประเทศชาติบ้านเมืองแต่ละประเทศแต่ละกลุ่มที่จะเป็นผึกแผ่นขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยกฎกติกาการอยู่ด้วยกันแต่ถ้าหากว่าพวกเราไม่มีกฎกติกาไม่มีการไม่มีความพร้อมเพียงสมัครคีในหมู่ในคณะกลุ่มอื่นเข้ามา เบียดเบียนหรือว่ลังแกพวกเราก็แตกกระจุยกระจายกันไม่เป็นผึกแผ่นแต่ถ้าว่าพวกเรามีกฎกติกาขึ้นมาแล้วก็มีการปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองผลประโยชน์แบ่งกันให้รู้จักในการแบ่งผลประโยชน์ใครทำหน้าที่อะไรในชุมชนในกลุ่มของเราก็ต้องมี อย่างในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นประธานาธิบดีหรือว่าเป็นนายกหรือว่าเป็นผู้นําเป็นพุทธะจากนั้นท่านก็ยังมีอัครสาวกซ้ายขวาเป็นผู้รองลงมาจากพระพุทธเจ้าจากนั้นท่านก็ตั้งแต่งตั้งขึ้นมาอสิติมหาสาวกที่เรานับได้ก็แปดสกว่ารูปเป็นอัศ อสิติมหาสาวกอสิติมหาสาวกนี้พระพุท ธ, ทธเจ้าท่านยกย่องเรือให้ตําแหน่งแ ต, แ, ตแต่ละองค์ไม่เหมือนกันแต่อัครสาวกพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกข้างขวาพระโมคขลาเป็นอัครสาวกทางด้านซ้าย อัครสาวกทางด้านขวาเป็นผู้เลิศเป็นผู้มีปัญญาลเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นสารีบุตรเป็นผู้เชี่ยวชาญจิตปัญญาสเสียแปลงในบรรดาพ <c oughs> รภาสาพวกทั้งหลายคือยกให้ท่านสารีบุตรแต่ผู้มีมีเล็ดมีอํานาจมี คล้ายๆกับว่าเชิงไหวเชิงพิบที่จะต่อสู้เกี่ยวกับคู่คนทั้งหลายหรือว่าสิ่งทั้งที่รอบด้านก็มอบให้พระโมกคาลาเป็นอัครสาวกขางทา ง, งด้านซ้ายพระพุทธองค์บางครั้งบางคราวก็ได้ใช้พระโมกคาลามากต่อมากเหมือนกันให้เปิดปราพวกคู่คนทั้งหลาย อย่างที่สมัยหนึ่งอพระพุทธเจ้าท่านสวดพระปฏิโมกมาโดยตลอดในเมื่อเดือนสามเพนผ่านไปแล้วพระพุโอมก็จะเป็นผู้กล่าวเออพระปฏิโมกเพราะว่าเป็นผู้นำํำจะให้พูดยังไงตรัสยังไงท่านก็เป็นผู้กล่าวแต่การกล่าวและการพูดการตรัสของพระพุทธเจ้า ท่านเป็นภาษาของท่านเองเมันก็พอพูดด้วยตรัสขึ้นมาก็ <c oughs> เข้าใจเข้าใจเข้าใจในท่ามกลางสง่งแต่ตอนี้วันหนึ่งพระพุทธองค์นั่งอยู่ในพร้อมกับสมาคมพระสงฆ์ในอาคารพระพุทธองค์นั่งตั้งแต่หัวค่าเพราะเป็นวันอุโบสถเป็นวันหลงพระสวดพระปฏิโมก พอนั่งเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็พร้อมแล้วตอนหัวค่ำสามสีทุ่มผ่านไปตามปกติพระองค์เมื่อพระสงฆ์พร้อมแล้วพระองค์ก็สวดพระปฏิโมกข์พูดกล่าวเรื่องศีลและวินยัยแต่วันนั้นพระพุทธองค์นั่งเ น, งน่งนั่งเน่งไม่ตรัสไม่พูดอะไรเลยในเมื่อพระองค์พระพุทธเจ้าเป็นผู้นั่งนิ่ง ไม่ตรัสอะไรพระสงฆ์ก็ต้องเน่งต้องฝังเน่งขยับเขยื้อนพูดคุยไม่ได้เพราะพระสงฆ์ต้องกดระเบียบพอถึงเที่ยงพอถึงปฐมมยามคือยามตอนออหัวค่ำผ่านไปพระอนุ์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้า ผสมพร้อมแล้ว เ, เดี๋ยวนี้กำลังจะผ่านเข้าไปมัดชิมมายามพระเจ้าขา่าขอพระองค์จงแสดงหรือกล่าวสวดพระปฏิโมกกล่าวพระปฏิโมกพระเจ้าขา่าพระพุทธเจ้าคนนิ่งเหมือนกับพักพักกไม่ได้ยินลักษณะอย่างนั้นละนั่งนิ่งพอถึงเที่ยงคืนอีก จะย่างเข้าไปมัดปัดฉิมมะยามคือเป็นภาษาบาลีนะว่ามัดมัดฉิมมะยามปฐมมยามคือยามหัวค่ํามัดฉิมมยามคือยามเที่ยงคืนปัดฉิมมยามคือยามจวนสว่างอันนี้คือท่านเป็นพูดเป็นบาลีนะแต่นี่ก็บอตอนหัวค่ําผ่านไปแล้วจะเข้าตอนเที่ยงคืน พอถึงเที่ยงคืนเสร็แล้วจะเข้าตอนสว่างพระอนุ์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าอีกทรงสองสองครั้งพอในจวนสว่างแล้วกราบทูลอีกพระพุทธเจ้าข่านี่ปัดเข้าปัดชิมมยามแล้วพระเจ้าข่าขอพระพุทธองค์จงแสดงพระปฏิโมกพระสงฆ์ก็พร้อมหมดแล้วพระเจ้าข่าพระพองค์พระพระองค์ตรัสว่าพระสงฆ์ที่มานั่งอยู่เน้น ทั้งหมดเนี่ยที่มานั่งอยู่เดียวนี่นะพระสงฆ์ที่ไม่มีศีลทุศีลมีอยู่องค์หนึ่งเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าพระที่ไม่บริรสุทธิ์ในศีลมานั่งอยู่ในอยู่ตรงนี้เราจะถามว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือองค์นี้ก็จะตอบองค์นี้ก็ไม่ก็อยู่ในท่ามกลางสงฆ์ไม่บริสุทธิ์อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่แสดงและสวดปฏิโมก ให้ในถ้ำกลางสงที่สงไม่บริสุทธิ์เพราะพระสงฆ์ที่ไม่บริสุทธิ์มีอยู่ในนี้เรารู้อยู่ว่าองค์ที่ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราจะรับรองว่าผลงสงในในนั่งอยู่ที่นี่นบริสุทธิ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่สวดพระปฏิโมกให้นําพระองค์นั้นออกไปแต่พระองค์ก็ไม่ได้บอกองค์ไหนนะแต่ตามเป็นจริงพระองค์น่า พระ อ, องค์น่าจะใช้บอกองค์นั้นนะท่านก็ไม่บอกนะท่านกว่าให้นําสงองค์นั้นออกไปทีนี้นพระโมกคลาที่เป็นอัครสาวกทางด้านซ้ายเป็นผู้มีฤทธินะ์เนี่ยอท่านก็ยืนประกาศอ้าวสงท่านใดในให้รู้ว่าตัวเองไม่บริสุทธิ์ให้ออกไปให้ออกไปจากนอกอที่ตงรงโบสถเดียวนี้ก็จะมีไม่ไม่มีใคร ที่จะออกไปเ่านนี้ไมต่ต่างโอง์ก็ต่างเงียบองที่ทำความชั่วที่ไม่บริรสุทธิ์ในศีลก็เงียบเหมือนกันไม่ขยับขยืน่นประกาศอีกครั้งที่สององไหนที่ไม่บริรสุทธิ์ในศีลที่นั่งอยู่ที่นี่ออกองนั่นก็เงียบพอครั้งที่สามพโมกคลาท่านเข้าฌานสมาบัติของท่านนะ เ, เขาอาใช้กำลังภายในเลยท่น กําหนดจิตดูเลยอพอเสร็จแล้วท่านก็รู้องค์นั้นแหละเป็นผู้ไม่บริรสุทธิ์ในศีลท่านก็เดินดุยดุยเข้าไปลากแขนออกไปเลยอพอลากแขนออกไปแล้วก็ออกไปนอกอาคารแล้วก็ปิดประตูอองค์นั้นก็ออกไ ป, ปรพระพุทธองค์บอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายต่อไปภายภาคหน้านี่ยพระสงฆ์ที่ไม่บริรสุทธิ์ในศีลจะมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะนั้นวันนี้มีเหตุแล้วต่อ น, นี้ไปเราตาคตจะไม่แสดงพระปฏิโมกในถ้ำกลางสงให้มอบให้สงเป็นผู้แสดงเป็นผู้พูดต่อไปเมื่อเรารู้ทั้งรู้ว่าพระสงฆ์ไม่บริรสุทธิ์ในศีลล้วก็ยังให้โอวาดยังสวดปฏิโมกอยู่ไม่ถูกต้องอาตามแนวแถวของพุท ธ, ธะตั้งแต่บัดนั้นมา พระพุทธองค์ก็มอบให้คณะสงฆ์เป็นผู้ลงอุโบสถสวดพัปปติโมกต์ตามหลักธรรมวินัยต่อไปพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ลงในถ้ำกลางสงฆ์พระพงเป็นสยามภูรู้แจ้งเป็นต้นศาสดาต้นศาสนาแล้วท่านบัญญัติขึ้นมานี่แหละสรุปแล้วก็คือถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎก ในแง่มุมต่างๆพ่อเราก็พอจะรู้ได้ว่าพระในครั้งพุทธกาลขนาดอยู่ต่อพระพักพระพุทธ้าวแท้ๆยังทําความชั่วเสียหายประกาศถึงหลายครั้งเงินก็ยังไม่ขยับความชั่วของตนเองฮเพราะนั้นมาถึงพวกเราสุดท้ายปลายแดนสุดท้ายปลายภายหลังฮพวกเราจะคิดว่าพระสงค์ทั้งหลายก่อ ไม่ใช่ว่าท่านเป็นพระทหารมาบวชแต่ขนาดพระพุทธเจ้าถ้าหาว่าพระพธองค์บวชว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าลทำเรากล่าวไว้ดีแล้วอันนี้คือพระพุทธองค์บวช ด, ด้วยเอหิภิกขุอันนั้นบวชเฉพาะพระพั ก, พ, ก พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามองดูแล้วว่าองค์นี้เนี่ยมีเอ เป็นผู้มีมีนิสัยมักผลนิพพานแล้วก็เต็มเปี่ยมด้วยบุญบา ร, รมีอัฏฐบริขารเคยทามาแล้วในอดีตการเคยทานบริจาคอัฏฐบริขารมาแล้วท่านมองดูถึงอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ท่านบวชเข้ามาและท่านจะได้สำเร็จมรรคผลนี่พระพุทธองค์ก็บวชเฉพาะพระภักพระพุทธองค์เป็นคนองค์ ประทานแล้วเป็นองค์บวชให้เราว่าเอหิภิกขุเอหิภิกขุอุปสัมประทานท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวไว้ดีแล้วนะเพียงแค่นี้พระองค์นั้นก็บริขานก็ลอยมาท่านก็บวชเป็นพระผู้ทรงเหมือนกับทรงพรรษากิาริยามารยาททุกอย่างเรียบร้อยแต่ท่านบาเพ็ญไม่นานก็ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผล ถ้าเป็นเช่นนั้นนะแต่บางองค์ท่านก็เรียกไม่ได้เหมือนกันนะอย่างพระพาหิยะทารุจริยะองค์นี้เมื่อได้สาเร็จเป็นพระรหันต์พระองค์ก็มองดูอีกเหมือนกันเออท่านพาหิยะเนะี่ยไม่เคยไม่เคยบริจาคบริขารไม่ไม่เคยทำบุญกับบริขารมาในอดีตทั้งที่เกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัดสปะบวชมาถึงสองหมื่นปี แต่ไม่เคยขนขวายไม่เคยใส่ใจไม่เคยสงเคราะห์อนุเคราะห์พระสงฆ์หมู่พวกเพื่อนเรื่องอัฐ บ, บริขารเพราะนั้นพอมาในชาตินี้พอได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้าท่านได้สำเร็จเป็นพระหรหันต์แต่พระพุทธองค์เรียกไม่ได้เอหิภิกขุเพรพอมองดูแล้วไม่มีอนิสงส์แต่ท่านได้สำเร็จนลนะสำเร็จเป็นพระหรหันต์แล้วแต่พระพองค์ไม่ได้เรียก ท่านก็บอกว่าพาหิยะเธอไปสแสวงหาบริขารเธอก่อนนะถ้าเธอได้บริขารมาพร้อมแล้วอย่าค่อยบวชนะนีะ่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าท่านม อ, มองดูแล้วท่านมองอดีตแล้วก็มองปัจจุบันในสก่อนท่านจึงเรียกอัต บ, บริขารให้กับพระสาวก ข, ของท่านสรุปแล้วก็คือต้องเป็นผู้มีบุญได้ทำบุญไว้ในอดีตชก่อน เออจึงมาถึงปัจจุบันขึ้นมาเนี่ยมันสืบเนื่องกันเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าปุับ ป, ปับขึ้นมาจะเจริญรุ่งเรืองในภพนี้ชาตินี้ชาติเดียวไม่ใช่นะมันสืบเนื่องมาในอดีตชาติเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคาสอนหรือว่าพวกเราพ้าราชทารญาติโยมลูกหลานทุกคนที่มาเกิดมาในภพพุทธศาสนาถึงจะ ยังไงพวกเราก็ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไว้สิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าพูดอย่าทําในเรื่องนั้นคิดทําพูดแต่เรื่องที่สร้างสรรค์สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์โกหกพกกลมทุกวันได้รู้สึกว่าใครก็ว่ า, ใ ค, วาใครโกหกพวกหนึ่งเขว่าพวกหนึ่งโกหกพวกหนึ่งเขว่าพวกหนึโกหกตามไม่จริงมันโกหก เท่าๆกันนะดูๆพวกเราอยู่วงนอกนะเหมือนกับพวกเขาขึ้นไปชกบนนักมวยนคนหนึ่งว่าเฉนมันผิดกติกาไม่น่าจะใช้ศอกใช้เข่าเพื่อเพอกัดหูกันอีกต่างหากลักษณะอย่างนั้นแต่พวกเราอยู่ข้างนอกนเบิรดูดูๆแล้วมันมันมั่วกันไปหมดเลยแต่ยตามไม่จริงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะ ท่านบอกว่านะท่านตรัสไว้นะนะพวกเราคณะสัตา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะให้สังเกตดูพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นพระเป็นพระบาลีว่านะคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีแต่หลวงพ่อจําไม่ได้เป็นพระบาลีนะ อ, อ, อ่านไปก็พบเลยล่ละเป็นพระบาลีแต่หลวงพ่อเอาแต่ความหมาย พอพวกเราถึงจะอ้างบาลีขึ้นมาพวกเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะั่นแหละเอาความหมายมาพูดให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเลยว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้ๆจะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีนะพอทำขึ้นมาแล้วก็โกหกพอทำขึ้นมาแล้วก็โกหกมันก็เลยโกหกไปเรื่อยแล้วเป็นนิสัยไปนี่แหละพอจากนั้นมันก็ขาดความเชื่อถือแล้วถ้นะถาคน ไม่ได้สังเกตก็เออใช่ฟังไปพอหนั้นเมื่อโกหกไปแล้วมันคิดว่ามันจะจบไม่ใช่นะการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ในเมื่อโกหกไปแล้วนั่นแหละการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ม้าถนนถนนหนทางเป็นเครื่องพิสูจน์ม้าการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนเป็นคนพูดถูกต้องไหมเป็นธรรมไหม มีเหตุมีผลไหมพูดตามหลักธรรมทำคําสอนไหมพูดเป็นธรรมไหมการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะหมู่พวกเพื่อนพว ก, พวกเราใครก็ตามนะเอถ้าพูดออกไปแล้วโกหกเน่ยจับได้ว่าโกหกอย่าไปไว้ใจกันแล้วกันนะให้ระมัดระวังนะเลยคนคเ น, นี้มันจะไม่ทําความชั่วยอย่างอื่นเป็นไม่มีนะให้เราตั้งความสงสัยเอาไว้นะ เอพรวันนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะทางนี้ทางนั้นเนพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าถ้าท่านให้ใช้ปัญญานะ่ะไม่ให้ใช้ศรัทธาอย่างเดียวนะ่ะศรัทธาคือความเชื่ออย่างเดียวไม่ใช่ต้องให้ใช้ปัญญาปัญญาปัญญ า, ญญาในความเชื่อนั้นอีเอที่เราเชื่อไปเนี่ยมันถูกต้องไหมมันเป็นธรรมไหมมีเหตุผลไหมสิ่งเหล่านี้เราต้องถ้าเรายังไม่เคยพบเคยเจอเราก็ตั้งความนีเ่เน่งไว้ก่อน ให้หยุดไว้ก่อนอยู่ในความสงบไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนให้สังเกตก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปในจุดนั้นเนี่แหละรักทำคําสอนของพระพุทธศาสนาทําคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นนะพวกเราท่านทั้งหลายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานหลวงพ่อพูดบ่อยเพราะว่าพระพุทธเจ้ากับพระสาวกนอัครสาวกอสิติมหาสาวกบริษัทบริวารต่างมากมาย พระพุทธเจ้าก็จะแดงทำแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันบางบทบางบาทบางพระคาถาบางคําพูดบางเรื่องราวพอพูดจบลงไปแล้วท่านก็อดูสาวกของท่านท่านก็ตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรเนี่เราตถาคตพูดไปเนี่ยเราตรัสไปนี่น่ะท่านพวกท่านเป็นไงเชื่อไหมที่เราพูดไปในท่านพวกท่านมีความเชื่อไหมที่เราพูดไป ภาษาไรบุตรกลาบทูลว่าอย่างก่อนพระเจ้าค่าเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระองค์นําไปปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรข้าพระองค์จะมากราบทูลพระพุทธองค์เมื่อภายหลังพระเจ้าข่าเนะีเห็นไหมขนาดอัครสาวกทั้งที่ท่านรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสออกมาในถูกต้องเออท่านเป็นพระรหารแต่ท่านพูดอันนี้ขึ้นมาเพื่ออะไร เป็นชั้นเชิงให้พวกเราท่านทั้งหลายได้คิดเมื่อใครพูดออกมาก็ตามน่าเชื่อถือขนาดไหนก็ตามอย่าไปจะไปเชื่อทีเดียวให้ฟังไปก่อนแล้วให้นำไปปฏิบัติเจ้าก่อนเอออย่างยกตัวอย่างเช่นนะเอออย่างยกตัวอย่างเช่นเอ่อพวกเราเป็นกเกษตรกรรมเกษตรกรฮง เ, เ อ, เอ่มีคนหนึ่งมาพูดเฮ้ยจะไปยากอะไรเออปลูกข้าวนะ่ะต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้น เนี่ยจะจะให้มันร่วงมันใหญ่กว่านี่เอาทางปลายมันลงก็ได้เอามดลงไปในดินเออเอารากเป็นชี้ขึ้นฟ้าเดีเ๋ยวมันก็ขึ้นมานี่ยมันลวงมันก็จะใหญ่ขึ้นมาเอง เ, อเชื่อไหมที่ผมพูดเนี่ยเราจะโอ้ใช่ใช่เชื่อเชื่อเชเชไปทดลองอถ้าคนที่มีปัญญาโอ่อยังผมยังไม่เชื่อหรอกให้ผมไปทดลองดูก่อนอถ้าทดลองดูแล้วเนะ่ะผมจะมาบอกให้นะ อมันมันมันจะได้ลวงข้าวอย่างที่คุณพูดไหม่เมื่อเราไปทดลองเอาปลายมันลงในขี้โคลนน่นเองเอาลากมันชี้ขึ้นฟ้านโอ้ยมันตายทั้งนั้นแหละท่านเนยเอีมันจะเป็นลวงได้ยังไงฮะในเพราะมันทำไม่ถูกไงเนะี่ยไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไงอันนี้หละยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้ฟังเอคือดําเป็นขาวขาวเป็นดำไงนีอเพราะฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ยินมาเรายังไม่ได้นําไปกัดกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลซะก่อนแล้วก็ให้ฟังไว้ก่อนอไม่รู้ใครพูดอะไรอย่างเดียวนี่ยนะไม่รู้เรื่องอะไรตัวไม่อะไรขอให้พวกเราคณะสัตยาญาติโยมพกหมู่เหรา อ, อให้อยู่ในความสงบให้อยู่ในความเน่งซะก่อน อ, อ, อย่าไปตามกระแสอันี้โอ้อันนี้พูดหน้ามีเหตุมีผลถูกต้อง นะพวกเราก็กระโดดโลดเต้นไปตามจังหวะของเขาเพล่เพล่เนี่ยลียงไว้พบไม้ผูอีกต่างเอกวิ่งเลียงไว้พบไม้ไม้ผูกเลยี้ยงมันอยู่ข้างบนต้นไม้ใช่ไหมมันกระโดดโลดเต้นมันกระโดดไปกระโดดมาไปเจอไม้ผูกไม้ผูก็พาหักลงมาจากยอดไม้เลยหัวเด้งลงมาสู่พื้นแผ่นดินเนยฮ อ, อไม่ตายก็ค้างเหลืองในแต่นี้ลิงตัวนั้นพราะเหตุหอะไรเพราะมันมันมันเร็วเกินมันไวเกินไปเนียมันไม่ได้สังเกตแต่ท่านลิงตัวนห้นสังเกตมันกิ่งนะเป็นยังไงเนี่ยกิ่งไม้นี้เป็นยังไงหลวงพ่อยังมาคิดอีกจุดหนึ่งนะลิงหลวงหลงพอมีหลายตัวใช่ไหมหลวงพ่อยากจะพูดเป็นนี่ที่เป็นเรื่องขบขันให้พวกเราได้ฟังนะยังมีวันนึง อาของหลวงพ่อเนะี่ยคือน้องชายพ่อเนะี่อาหนอมนะกับหมนะูมารักษาศีลอยู่ที่วัดของพ่อทั้งอายุแกแล้วละ่ะประมาณหกสิบเจ็ดว่เจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบกว่าในช่วงนั้นนะวัดของหลวงพ่อกัอนนะแต่นี้ท่านกำลังทำไม้กวาดอยู่ท่านตักไม้กวาดสองสองสองผู้เท่ากันนั่งคุยกัน แต่นี่ลิงมันก็ขึ้นไปบนยอดไม้ตะแบกจุงสูงนะนะเออมันก็หากินตามภสษีระสานนี่ยลิงมันหลายตัวเนีมันก็คงจะวิ่งไล่เล่นยอกกันเน่ยเหมือนกระลิงนะตอนนี้ตัวหนึ่งมันไปเกาะไม้เก่งไม้ไม้ตะแบกนะเพราะเก่งไม้ตะแบกเท่านั้นแหละไอ้มันก็ไม่รู้ว่าไม้ตะแบกตอนนั้นมันมีมันมีรูร่วงดูผูกข้างในฮะมันไปเกาะเท่านั้นแหละมันก็มันอยู่ใน เดี่ยวๆอีกต่างหากแท้เลยมันก็ลอยและเลี้วลงมาแลยย้วงั้นเลยเออหลิงตัวนั้นนะลอยและเลี้ยวลงมาลงมาใส่พื้นดินแห้งๆที่ดินพระปาดปัดขวาดล้านวัดมันเตียนอยู่แล้วใช่ไหมส่ปั้งลงไปเออสลบเลยมันนะหลิงสลบว่างั้นนะเออพอลิงสลบขึ้นมาอาห น, นอมเอะเอาอยัางไงวะเออมันสลบแล้วก็จับขึ้นมาเหมือนกัน มันมีแต่หายใจรวยลินนะเว้ยมันตกมาจากที่สูงอ่ะลินลิงตกต้นไม้ก็มีนี่มันหลวงพ่อก็ปาดกวาดลงมาพอดีในช่วงนั้นลงลงมาอาหนอมก็เลยบอกว่ากูบ้ากรูบาเอานั่นเลิงตกต้นไม้อยู่ที่ไหนแล้ววะดูไปเลี้ยงเอาลิ้งตัวเมียตัวเนี้ยวะเออเอายังไงเนอเออสมัยก่อนเนี่ย เราเป็นเด็กเนี่ยเราอยู่บ้านนอกเนี่ยถ้าหากว่าใครตกต้นไม้เนี่ยตกที่สูงลงมาเนี่ยเอเขาจะเยี่ยวเยี่ยวใส่กระป๋งองเยี่ยวใส่แก้วแล้วก็เอาน้ําตาลคนคนคนคนลงไปเกาะปากว่าหน้าว่า เ, เดี๋ยวมันจะหายใจโลง่งหายใจอิ่มขึ้นมาแนห ะ, เ, ะเพราะมันโดนน้าเยี่ยวมันเป็นยานะเป็นยาของพระพุทธเจ้านะมูดขูดเนี่ย หมูดคือน้ำเยี่ยวเนยเป็นยาเนาะเอาได้เอานอมอานอมมาเออเอาเขาก็เลยเอาแก้วมาเลยใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่งเออก็ปัดเอาน้ำปัดสวนะเนาะลงใส่ในแก้วหน่อยเนาะก็คนคนคนคนจะได้เอาอาปากมันขึ้นมาพออาปากมันขึ้นเก็ก่อเข้าปากมันแล้วไงนนพอกาพอปากมันขยับขยับฟันงับงับงับงับได้สามสี่กืนนั่นน่น มองตาพโพลงขึ้นมาเลยเหมอนเดิมเออลิงตัวนั้นอนะมองขึ้นมาเลยหายใจเฮาเฮาเฮาเออผมไม่ตายแล้ววะดูๆเราเห็นไหมทีนี้วะเ อ, อีจากนั้นก็เลยเราก็เลยไปเอากล้วยมาแปะวะเออกล้วยมาพอกล้วยขึ้นมายื่นใจมือมันนะมันกระกลับมับเลยเหมือนกันเถอะเอกพอกลับมับเสร็จแล้วมันก็ค่อยเดินของแย่งย่องแย่งขึ้นไปเกาะอยู่ต้นไม้ ไปกู้ต้นไม้มันย่างกินกั้อยู่าะงั้นโอ้ยไม่ตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ไปได้แล้วจากนั้นมันก็เลยขึ้นไปเรื่อยๆโอ้ไปจุกไปจุกอยู่ต้นไม้นานพาสอสมควรนขนาดขึ้นไปอยู่ต้นไม้ก็อยอะนั่งกอดเกาะต้นไม้อยู่พสอสมควรอมันจะค่อยไปได้ น, นี่แหละหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อได้อาน้ําไม่รู้จะเอาอะไรให้มันกินใช่ไหมคิดเห็นแต่ยาโบราณที่สหลวงพ่อเคยเป็นเด็กมาก่อน คนตกต้นไม้ตกที่สูงเนะี่ยเขาจะให้น้ำเยี่ยวถ้ามีน้ำตาลน้ำอ้อยผนะสมผสมสักหน่อยนะแล้วก็กอกปากให้คนกินทำให้เลือด ม, มันวิ่งทำให้หายใจโล่งถ้าเอาน้ำธรรมดาเขาว่าอันตรายเหมือนกันนะ <c oughs> นั่นเองหมอปัจจุบันเขาคงไม่ทำอย่างนั้นนะแต่เรา ม, มันเป็นหมอเฉพาะหน้านะหลวงพ่อก็เลยได้ไดทำ ให้ให้มันกินเนยะมันก็หายนะนะอันนี้พูดถึงลิงไวพบไม้ผุนะเออันนี้ก็เหมือนกันนะพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินเสียงอะไรมาให้พวกเราอยู่ในความสงบนิ่งซะก่อนสังเกตนะอถ้าว่าคนที่โกหกเนะมันพ บ, พบไม่ได้จริงๆนะอคนที่ชอบโกหกทั้งที่รูๆนะ้ๆจะไม่ทําความชั่วยอย่างอื่นเป็นไม่มีอันนี้ให้สังเกตอีกเหมือนกันนะ ไม่ว่าหมูพวกเพื่อนเขาเราไม่ว่าใครต่อใครละ่ะถ้าว่าพูดขึ้นมาแล้วหาความสัตย์ความจริงไม่ได้ตอแหลไปตอแหลมาเนี่ยจะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นมันเป็นไม่มีเน่ยเอาหลักธรรมคำสองสอนของพระพุทธเจ้าเนะ่มาเป็นกระจกเงาเลยมาเป็นเครื่องวัดมาตรฐานนีพระพุทธองค์ตรัสมาแล้วหลวงพ่อก็เชื่อนะถ้าหลวงพ่อไม่เชื่อหลวงพ่อก็คงจะไม่เน้ไม่นาทา คำสอนพุทธภาษิตคำนี้ออกมาบอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะประกอบคุณงามความดีและอีกวันที่สีเนี่ยเป็นวันมาฆาบูชาที่พระพุทธเจ้าประกาศกฎรัฐธรร ม, มนูญปกครองสงในวันนั้นและก็พร้อมกันเมื่อพระพุทธเจ้าสวดพระปฏิโมกมาโดยตลอดพระสง์ ในครั้ง พ, พระพุทธเจ้าแท้ๆก็ยัง อ, ออกนอกลูก่นอกทางไม่มีศีลก็ยังมีอยู่เพราะนั้นพวกเราอยู่สุดท้ายปลายแดนไม่ใช่นาพระหรหัสมาบวชเมื่อไหรนําลูกตาสีตาสีตาสาแตามีตมาเพล่เพล่เราผู้ที่มาบวชเหลือขออีกต่างหากจนสังคมเขาไม่ยอมรับอีกต่างหากเข้ามาบวชเพราะนั้นบางสิ่งบางอยา่างเราก็ต้องมีหูมีตามีการ เลือกครบค้าสมาคมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเลือกทั้งนั้นแะแต่เขาไปซื้อเสื้อผ้าในตลาดทั้งที่บริษัทเดียวกันตัดเย็บมาเรายังเข้าไปยังเลือกแล้วเลือกอีกมองแล้วมองอีกก่อนที่เราจะซื้อของสิ่งนั้นมาใช้อันนี้ก็เหมือนกันนะของในโลกนีต้องเลือกนะคณะทายาทโยมลูกหลานการเลือกให้พระสุคตทรงสรรเสริญ ใคข้าว่าต้องใช้ปัญญาทุกอย่างทุกอย่างนั่นแหละพระพุทธเจ้าสรรเสริญผู้ที่มีปัญญารู้จักเลือกน ะ, นะต่อ น, นี้ไปพระสง์อนุโมทนาให้พร